วันนี้เป็นวันมหาหมงคลแจกชาวพระสงค์และพี่น้องทั้งหลายที่มารวมกันในสถานที่นี้ <c oughs> เป็นโอกาสอันดีงามที่เราทั้งหลายจะได้สนทนาปราศัยฟังอัดฟังธรรมนำไปประประฏิบัติเป็นเครื่องหรือเป็นให้เป็นที่มนมงคลแก่ตัวตลอดไปเพราะนานๆจะได้มาพบ ครั้งสักทีหนึ่งรวมกัน <c oughs> อย่างที่รวมวันนี้นหาได้ยากาะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดตลอ ด, ต, ลอดตั้งกระตื่นนอนจนมาทั่งหลับตื่นนอนจนรทั่งหลับกงจักรของวัตจักรอันนี้มันหมุนอยู่อายใ น, น จ, ใจิตใจทั่วโลกดินแดน พราะนั้นโลกจิ่งหาความสงบสุขได้ยากในวันนี้มาทั้งสองภาคภาคประชาชนและภาคบรรพชิตคือนักบวชเราได้มีโอกาสสละเวลาเวลาหน้าที่การงานมาบริจาคทานและฟังอัดฟังธรรมจึงเป็นโอกาสที่ดีเลิศแล้วเวลานี้ จะปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปให้ต่างคนต่างฟังด้วยความถึงใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามทั่วหน้ากันเราจะเป็นปรากฏผลประโยชน์ขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งได้มาจากการได้ยินได้ฟัง <c oughs> วันนี้พระสงฆ์ก็มาเป็นจำนวนมากที่ที่อยู่ในป่าก็เยอะ อยู่ในบ้านก็มีอยู่ในป่าก็มีตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลว่าคามสีมาหรืออรัญญาวาศีหรือคามวายศีผู้อยู่ในบ้านใกล้บ้านผู้อยู่ในป่ามีทั้งสองภาควันนี้มารวมกันเพืขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยเดก การเทศนาว่าการสั่งสอนพระผมก็ไม่ค่อยได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานยิ่งเริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้แล้วป็หนึ่งว่าไม่ได้สนใจสอนพระเลยสอนประชาชนทั่วประเทศเฉแดนจนไม่มีเวลาเวลากาลังบางชาวก็ลดอ่อนถอยลงไปทุกวันทุกวัน แล้ววันนี้เป็นโอกาสบันดีของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนมากก็เป็นพระลูกพระหลานไม่ค่อยได้ยินเสียงขนุประเพณีที่ครูบาอาจารย์ทั้ททงหลายท่านพาดำเนินมาสมัยปัจจุบันในวงกรรมฐานเราจึงเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายพอทราบได้ไม่มากก็น้อยในวันนี้ ขนบประเพณีของพระป่าท่านนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยให้ฟังให้ดีในจุดนี้ครั้งพระพุทธเจ้าอันเป็นศาสตราเอกในโลกทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่า <c oughs> ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงนหนวช บำเพ็ญด้วยความทุกข์ความทรมานอยู่ในป่าเป็นลำหนับลำดามาไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้รับความสะดวกสบายในพระกายและพระจิตมีตั้งแต่การบำเพ็ญสมณธรรมตลอดโดยไม่คำนึงถึงความลำบากลำบาซึ่งเคยเป็นมานเกี่ยวกับข้องคาราวาสจะทำให้คิดถึงบ้านถึงเือนลูกตลเตาหลาเหลียญเป ชาบพลาพวกบริษัทบริวารเหล่านี้ท่านถึงจะคิดท่านก็ไม่ได้หนักแน่นยิ่งกว่าการคิดเพื่อบำเพ็ญพระองค์ให้ได้ตัดสะลุปเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วสั่งสอนศาสตว์โลกจะได้ผลประโยชน์มากยิ่งกว่าการที่เรามากังวลวุ่มวายกับเรื่องเคยเป็นมาแต่ก่อน ซึ่งเป็นขณะที่เราบำเพ็ญธรรมอยู่นี้ด้วยแล้วจึงไม่สมกวดพระองค์ก็ทรงฟันฝ่าอุปสรรคบำเพ็ญพระองค์ทุกวิถีทางตามพระนิสัยของสยามภูซึ่งจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องศึกษาปรโลกกับผู้หนึ่งผู้ใด องก็ทรงบำเพ็ญด้รับความทุกข์ความลำบากนีสรุปลงจนได้ตรัสรู้เป็นจาัสดาเอกของโลกขึ้นมานี่ท่านตรัสรู้ในป่าต้นเหตุทรงบำเพ็ญในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายมีแต่การกาจัดปัดสิ่ง ที่เคยลบวนอยู่ภายในพระไทยออกโดยลำดับลำดาจนในตรัสรูแล้วทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุบริษัทิ์จนกลายเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่สรุปความที่สอนมาจนกะทั่งถึงบัดนี้ตั้งแต่ต้นมาเรื่อยเรื่อยว่าลุกขมรลเซนาสนังนิสายปปะชาตัทโวยาวชีวังอุสาหะกรณโย บรรจาระสมบุดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกโมนุ่มไม้ในป่าในเขาตามถาม้ำเงื้อผาป่าชา้าป่าลกชักอันเป็นที่กำจัดพิริศได้ง่ายกว่าป่าธรรมดาหรือที่ธรรมดาทั่วๆไปขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความอุตส่าห์พยายามบาเพ็ญอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แปลตามครับ โอ้ว่าที่ทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่ต้นพุทธการตรงตั้งถึงบัดนี้และไม่เคยลดละไม่เคยให้ขาดบัคขาดตอนไปเลยในบรรดาธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เพราะฉะนั้นเวลาบวชแล้วท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในาเขาเพราะพระที่บวชแล้วนั้น เป็นผู้เสียสละในสมบัติที่เคยคุกเคข้ากันมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันเกิดมามีตั้งแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเป็นเครื่องอยุ่งเหยิงสําหรับผู้จะผู้ออกบวชท่านให้ตัดออกหมดแล้วให้บําเพ็ญในสถานที่ดังกล่าวนี้ปาปาคนกับป่าสัตว์ ป่าคนกับป่าไม้ต่างกันป่าคนเป็นที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่พระอยู่ด้วยกันจนํานวนมากยังเป็นความกังวลขึ้นมาได้ไม่ต้องพูดถึงคารวะประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่พระเรามากอยู่างมากมา ก, ก็ไม่เหมาะสมต้องทยอยกันออก ไปบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆตามแต่อัติยาสัยของท่านผู้ใดจะอยู่ในสถานที่ใดซึ่งเป็นสถานที่งบเงียวปราศจากสิก่งก่อควนทางรูปทางเสียงสิ่งร ด, ดเครื่องสัมผัสประเภทต่างๆซึ่งส่วนมากมักเป็นภัยทั้งนั้นให้อยู่โดยลำพังคำว่าอยู่บำเพ็ญ น, นั้นคือบำเพ็ญยังไงเนี่ยเป็นของสาคัญ อยู่ในปา่าสัตว์เขาก็อยู่ในปา่าไม่เห็นได้รับความเลื่อเลยออใครๆก็เคยอยู่ในปา่าก็ไม่ได้รับความเลื่อเลยแต่อยู่ในปา่าตามพระอาาุบาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงให้อยู่บําเพ็ญศีลธรรมภายในตัวเองคือวิธีการบําเพ็ญนั้น ให้ระมัดระวังสิ่งภายนอกคูกเสียงเสียงรบเครื่องสัมผัสให้ไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในเขาอันเป็นธรรมธรรมเลที่เหมาะสมแล้วเจริญสมณธรรมสมณธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องสงบอารมณ์เครื่องเครื่องก่อควรทั้งหลายแล้วบำเพ็ญธรรมนี่ละจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เราทั้งหลายนักภาวนาจะไม่ค่อยเข้าใจกัน ยัง ถ, ถืออกาขอถือโอกาสได้แสดงให้พระลูกอาลัยทั้งหลายฟังในฐานะที่หลวงตาด้วยเคยผ่านมาอย่างโชคโุนแล้วในการภาวนานตามสถานที่และอารมณ์แห่งธรรมที่ได้บําเพ็ญมาหนึ่งพอได้เป็นคติตัวอย่างให้เป็นที่ยึดที่เกาะแก่ผู้เริ่มบําเพ็ญคือการบําเพ็ญจิตตามธรรมราของจิต มีแต่ความรุ่งเหว่งวุ่นวายมีแต่อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตจากกางผลักดันของอวิชชาปัจจยาสร้างข้าหลาเป็นสังขารประเภทต่างๆคือปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆไม่หยุดไปยัง่งสัญญาความจำหมายคนความจำได้หมายรู้ก็แทรกไปตามแทรกไปตามกอ่อตั้งแต่ความกังวลวุ่นวายตดให้ใจอยู่เสมอนี่เป็นปกติของใจ ไม่ว่าัเป็นนักบวชหรือคารวะทีนี่เราไปมาอยู่เป็นนักบวชแล้วเพื่อบาเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจจึงต้องได้มีธรรมเป็นเครื่องกากับเพื่อจะระ ง, งับความชิดรุงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบวชธรรมถ้าระ ง, งับเฉยๆจะระ ง, งับไม่ได้ต้องอาศัยบวธรรมาะจิตทำหน้าที่อันเดียว ไม่มีงานกิจอื่นใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทําหน้าที่อันเดียวอยู่นั่นงานสองเข้ามาก็เรียกว่าแย่งงานกันแล้วต้องให้มีงานอันเดียวคือเราจเจริญจิตใจด้วยบทภาวนาเนี่ยผู้ฝึกหัดเบื้องต้นนะให้ฝึกหัดภาวน า, า, วนาอบรมมีคําบริกรรมเป็นเครื่องกํากับใจอย่าเสมอเราอย่าปล่อยคำบริกรรมเห็นว่าอย่างหนึ่งเห็น เห็นเ็นว่าไม่ทันการและหนักเขาเบก้อนนั่นเลยกลายเป็นว่าเห็นว่าคือไปเสียเราคิดนึกแบบเรียนรักให้จิตระบไปเองไปเองอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นความอุตริอันหนึ่งของจิตมันเกิดมาเรื่อยๆเพราะมันชอบอุตริชอบทะนงตัวเมื่อทำแทกเข้าไปมันจึงต้อ ง, ต, องต้องปัดทั้ ง, ท, งทั้งที่ทำเป็นความถูกต้องด่งาม มันจ้งยังปัดจนได้แล้วก็เรียนรักนึกแต่ความรู้เฉยเฉยเฉยเฉยให้จิตกําหนดให้สติอยู่กับความรู้ความรู้มันก็ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเลยเพราะความรู้สติเผลอได้ง่ายเมื่อสติเผลอความรู้ก็ถูกเกลื่อนลากให้ทะเลถลายไปที่ต่างๆตามอารมณ์ที่เคยคิดเคยปลุ่มนั่นแหละ แล้วก็กลายเป็นเจรียล้วนๆขึ้นมาแทนที่ที่เราว่าเราภาวนาเพราะฉะนั้นเพื่อกําจัดอันนี้ลงไปให้ได้ผลในการภาวนาเท่าที่ควรในเบื้องต้นจึงขอให้ยึดคําบริกรรมไว้ให้ดีคาบริกรรมในกรรมฐานสี่สิบห้องนั้น่ะควรแก่ทั้งสมณะธรรมสมถะธรรมทั้งวิปัสสนาธรรมควรแก่การทั้งทั้งได้ทั้งนั้น แล้วแต่ขั้นภูมิของจิตที่จะแยกแยะคัม บ, บริกรรมหรือกรรมฐาน40ซึ่งเคยบริกรรมเป็นสมถะธรรมนี้ให้กระจายเป็นวิปัจนาธรรมขึ้นได้ตามขั้นตามภูมิของตนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมเหล่านี้ไปทางวิปัจนาด้านปัญญาได้ในเบื้องต้นเราจะยึดอะไรเช่นกรรมฐานสี่สิบนี่ เราจะเอาอะไรเช่นพุโทโธธรรมโอสังโฆหรืออนุสติสิบอสุภะสิบอย่างนี้เป็นต้นเนือพุโทโธนี่เรียก ว, ว่าอนุสติสิบนะเราจะนึกพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออนาปานัชาติก็ได้แล้วให้ตั้งชัติด้วยดีกำกับคำบรญครดีไว้กับจิตตนเอง ยาถืองานอื่นงานใดว่าเป็นงานสําคัญยิ่งกว่างานบริกรรมที่กํากับด้วยสติอย่างเข้มงวดกดขันนี้ <c oughs> นี่เรียกว่าประกอบความเพียรยืนเดินนั่งนอนให้มีคําบริกรรมติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาด้วยสตินี่สำหรับเราเป็นนักบวชซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรไมีแต่งานของการภาวนาเพื่อความสงบของจิต ยังขอให้ตั้งจิตลงในสมถะธรรมนี้ไว้ให้แน่นหนามัน่นคงเมื่อจิตขั้นนี้มีความกลมกลืนกันกับคําบริกรรมด้วยสติอย่างแนบแน่นและอย่างแนบแน่นแล้วสัญญาอารมณ์อื่นใดก็ไม่เข้ามารบกวนคือจิตนี้จะไม่ผลักถูกผลักดันออกไปให้ชิดให้ปร่งเพราะคําบุิกรรมบีบบังคับเอาไว้นี่อาลที่ว่าจิตทําหน้าที่เดียว เวลากําลังพุทโธพุทธโ ท, ธโทนี้งานอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราปล่อยพุทธโทในงานอื่นแทรกทันทีจริงจึงต้องปักงานอื่นไว้ด้วยการป้องกันกับพุโทโธมีสติเป็นเครื่องกำกับให้ทําอดูอย่างนี้ให้จริงให้จังกับงานของตนอย่าล้อเละลูะเละนะการบําบเพ็ญั้องเป็นนะจากนั้นเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่เป็นอื่น จิตจะก้องอย่างเข้าสู่ความสงบแม้จะไม่สงบอย่างแน่วแน่อย่างที่ว่าจิตรู้วมจิตรูวอมก็าตามแต่จิตจะสงบอยู่กับคำบริกรรมไม่สร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในใจแล้วก็ไม่ก่อขวนเมื่อได้บำเพ็ญอยู่นี้เสมอสม่าเสมอคำบริกรรมกับจิตและสติเกี่ยวพันกันตลอดเวลานี้ชื่อว่าเราบำรุงรักษาจิตใจของเรา ด้วยบทภาวนาอันถูกต้องดีงามตลอดมาและจะตลอดไปเนี่ยแล้วให้ทำอย่างนี้เมื่อจิตได้บาเพ็ญอย่างนี้เสมอแล้วความสงบของใจจะเริ่มมีพื้นฐานขึ้นมาที่ใจของเราจะเป็นความสงบเป็นพื้นฐานยืดยาวไปยืดยาวไปพื้นฐานแห่งความสงบนี้จะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปขึ้นไปกลายเป็นสมาธิคือความ แน่นหนามั่นคงในฐานของจิตเบื so imagine, ้องต้นสงบเป็นครั <ius mini> ้งครั้งและเบื้องต้นจริงๆก็อาศัยอยู่กับคำบริกรรมพอคำบริกรรมสมควรแก่การที่จิตสงบเข้าไปเป็นครั้งเป็นชาแล้วจิตจะสงบให้เหตุตัวเองนั่นแหละเห็นเมื่อสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างพลังขึ้นมาจากความสงบนั้น ทุกครัง้งทุกครัง้งความ <c> ัง <oughs> เป็นพลังที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้จะหนูใจให้เป็นสมาธิขึ้นมา <c oughs> ที่นี่สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาขึ้นมาจากความสงบแล้วสง บ, บเราหลายครั้งหลายหนแล้วฐ า, า, านสร้างฐานเนี่ยสมาธิขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิกับความสงบนั้นต่างกัน ในภาคปฏิบัติ <c oughs> คือความสงบเราภาวนาอย่างนี้จิตก็เข้าสู่ความสงบเ <c oughs> มื่อเข้าสู่ความสงบได้หลายได้หลายครั้งหลายหนต่อแล้วก็สร้างฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในตัวเองเป็นลําดับลําำดับจนกระทั่งจิตแนมหนามั่นคงขึ้นเป็นสมาธิจิตมั่นคงเรียกว่าสมาธิ <c oughs> มั่นคงในใน N: ในขั้นของสมาธิพอจิตมีความสงบแล้วก็เข้าเป็นสมาธิเรื่องสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยก่อขวัตลอดเวลานั้นจะระงับดับตัวไปเองเช่นอยากคิดถึงรูปถึงเสียงกลิ่นรถเครื่องสะพัดความอยากคิดเหล่านี้จะระงับตัวลงไปด้วยอํานาจแห่งความสงบบีบบังคับมันไว้เหมือนหินทับยากขั้นต่อไปนี้เปิดหินออกคือให้ปัญญาก้าวเดิน ดังนั้นเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่ต้องถือฐานของเราที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นหังที่เราบวชแล้วได้รับมาทุกทุกาย <c oughs> ขึ้นต้นตั้งแต่เกสรหูมานาขาทันตาตะโตทํ า, า, า <c oughs> ทไมท่านถึงให้กรรมาฐานเพียงห้าจุ น, นั้นนี้เป็นหลักใหญ่ของร่างกายของเราที่เรียกว่าภูเขาภูเรา ภูเขานั่นเป็นเรื่องของเขาภูเราคือเป็นเรื่องเราถือตัวของเราเขาถือตัวของเขาต่างเป็นภูเขาภูเราซึ่งเป็นที่ยึดถือของจิตใจของจิตใจอย่างแน่นแฟ้นตลอดมาทีนี้ท่านจึงเปิดทำให้เขาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยดีให้เห็นตามหลักความเป็นจริงเป็นจริงที่กิเลสหรือโลกในนั้นในยึดในถือมั่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุก เขาหล่นตัวเดียวมาเรีงดับบัดนี้ครี้คลายด้วย <c oughs> กรรมาฐานห้าข้อก่อนเจษารูมานาคาทันตาตะโจท่านผู้เรียนแล้วทราบเจษาแปลว่าผมขนแล้วฟันหนังพอไปถึงหนังแล้วเท่านั้นท่านหยุดถ้าจะว่ามีเวลาเพียงเล็กน้อยจะก่อน แล้วต่อไปเพียงเวลาเล็ก เ, ก, เ ก, เ ก, เกเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วพิจารณาต่อไปนือสอนต่อไปก็ถูกแต่หลักใหญ่ท่านสอนหกรรมฐ า, านนี้เป็นสาคัญมากตั้งลงไปนี้แล้วจะค่อยกระจายทั่วถึงกับเองในสกลกายทั้งเขาทั้งเราด้วยการพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยโดยทางปัญญาเจรสาพิจารณาผมมาเกิดมาจากไหน มันเกิดมาจากแดนสวรรค์แดนไหนที่วบบสะอาดสะอา้านเกินโลกเกินนองสารไปคือแดนสวรรค์แดนไหนผมมันก็เกิดขึ้นมาจากหัวอยู่ในตัวของเราหัวนี้มันมีความสะอาดสะอ้านมาจากไหนหนังหุ้มห่อไว้หนังสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นมาจากหนังแค่แค่ทำไมจึงว่าเป็นของสวยของงามถ้าเป็นเป็นของสวยงามตกแต่มันไปหาอะไรนี่มันก็ขัดแย้งกัน ระหว่างเหตุกับผลถ้าว่ามันสวยงามแล้วตกแต่งอะไรนี่ตกแต่งกันทั่วฟ้าดินแดนทุกแห่งทุกผลทุกนี่ก็คือมันไม่สวยไม่งามผมเกิดมาจากสถานที่ที่สุกโปรงได้แก่หนังแล้วหนังนี่หุ้มห่ออะไรเอาพิจารณานี่แหละเรื่องปัญญาจะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปหนังมันสกปรกหรือสะอาดดูที่ผิวหนังบางๆก็ว่าสะอาดมันจะอะไรขี้เหงื่อที้ใคร พอกมันอยู่ในหนังบางๆเขาเรียกว่าหนังกําพรา้าหนังหุน่นหนังกาําพร้านี่ก็มีขี้เหงื่อขี้ใครติดอยู่นั่นน่นมันสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นที่นั่นเอาความสะอาดมาจากไหนหนังนี้มันเอาสะาดมาจากไหนแล้วมันก็วิ่งเข้าถึงกะโหลกศีรษะทั่วร่างกายเราภายในร่างกายเราเม็ตั้งแต่ส่วมแต่ฐานเต็มไปหมดในร่างกายไม่มีตรงไหนว่าสะอาดเลย ที่พอดูได้ก็คือเอาหนังห่อเอาไว้เท่านั้นเองคนทั้งคนทั้งสัตว์เอาหนังห่ อ, อไว้ประดับประดาตกแต่งเช่นหมาจักรต่างๆก็มีขนเป็นเครื่องประดับ่ถ้าไม่มีขนมันก็เอาผิวหนังของมันว่าสวยว่างามเป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องปลอดภัยกับสิ่งสัมผัสทั้งหลายแล้วที่นี้ดูหนังเป็นยังไงดูรอบตัวหนังเนี่ยมันมีรอบตัวห่อะหอะไรไว้ พอสิ่งโสโปรกโสมมุมไว้ทั้งหมดในร่างกายนี้มีตั้งแต่เรื่องความโสโปรกโสมมุมเต็มตัวของเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตวทั้งบุคคลแต่ไม่มีใครมองมองตั้งแต่ผิวหนังบางๆแล้วเห่อเป็นบ้ากันโลกยังมีตั้งแต่ความทุกข์คาวามรำล้ำเพราะไม่มองตามความสัตว์ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้มองมองตามความจริงดูเข้าไปถึงหนังแล้วท่านหยุด นี่เวลาเราใช้ <c oughs> ทางด้านปัญญาออกพิจารณาแล้วเ <c oughs> พียงแต่หนังยังมาแล้ว <c oughs> ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูให้ทั่วถึงมันเป็นยังไงมีตั้งแต่ปลาช้าของตัวกระปกะสมองเต็มเนื้อเต็มตัว <c oughs> ที่โลกอยู่ได้นี้อยู่ได้เพียงหนังกำพร้าเท่านั้นห่อเอาไว้บางผิวห่มห่อเอาไว้บางบาง <c oughs> อที น, นี้เราถาลกหนังกาพร้า ออกมาลอกหนังกำผ้าออกมานั้นมารวมกันแล้วมันจะได้เท่าก้อนเท่ากำปั้นไหมหนังกำผ้าบางๆที่หลอกตาสัตว์โลกอยู่เวลานี้ทั้นทั้งโลกออกมาแล้วก็ได้บางๆนิดหนึ่งมามารวมกันแล้วเป็นก้อนเท่ากําปั้นกันไหมนอกนั้นมีแต่ซากระสบเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายนี่คือการพิจารณาตามหลักความจริงวันนี้จะสอนอัตธรรม ตามหลักความจริงที่จะลื้อถอนตัวในพ้นจากถูกสมชื่อสมนามว่าเราเป็นนัก บ, บวชพิจารณาอย่างนี้แล้วเข้าไปตามอวัยวะต่างๆที่จิตใ จ, จมีจริตนิสัยชอบในแง่ใดมุมใดของกรรมฐานทั้งหมดที่ทเต็มไปในตัวของเรากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงาน <c oughs> ให้ท่านทั้งหลายทราบเสียว่ากรรมฐานกรรมฐานฐานนาก็คือที่ตั้งกรรมมากกัางาน เป็นฐานที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมยิ่งอย่างยิ่งสําหรับผู้บาเพ็ญธรรมยังเรียกท่านยังเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐา <c oughs> เล่าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เอาไปกระจายทั่วร่างกายการพิจารณานี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพักไปเป็นระยะระยะเมื่อจิตจค <c oughs> ่อยๆเข้าใจเข้าใจและเน้นเหนือไม่ล้าในการพิจารณาคลี่คลายสิ่งนี้แล้ว อถอนจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความพักสงบเรียกว่าพักงานพักอารมณ์ให้สงบในขณะที่จิตสงบนั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาขั้นใดตอนใดทั้งหมดให้ตั้งหน้าตั้งตาทำจิดให้มีความสงบเย็นความสงบของจิตเพียงขั้นสมาธิก็อยู่ดีจินดีสบายแล้วคือมีอารมณ์อันเดียว มีแต่ความรุนแนวพารมอื่นใดไม่เข้ามาเกี่ยวพนท่านเรียกว่าจิตพักสงบพอได้ความสงบพอกำลังของตัวเองแล้วก็เทียบเหมือนกับเราตื่นนอนนอนหลับเวลาตื่นขึ้นมาแล้วกระพี้กระเป๋ามีกาลังบงังขาจิตของเราเมื่อถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มีความชื่นบานหันขาภายในตัวเองแล้วออกก้าวออกทางด้านปัญญาอีก ด้วยสติทั้งนั้นนะคำว่าสตินี้จะจะตา <c oughs> สจากหรือจะภาากันไม่ได้ต้องมีสติเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสมถะและวิปัสสนาอางนั้นก็ก้างพิจารณาพิจารณาอันเก่านั้นแหละจิตมันติดของเก่าโลกเกษาโลมานะขานตาต่ายโจวอวัยวัฒมีอาการ32มพิจารณาอันใดที่ เราติดใจกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นแล้วมันจะลูกรลานลูกหานเหมือนไฟได้ชื้อว่าเข้าไปหากองอสูภาสุทางให้เห็นโทษเห็นภัยของมันซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนมันก็ค่อยปล่อยวางอุปทานความยึดพัน้นถึงมั่นออกไปจากความรู้ความเห็นที่ว่ามันไม่สอาดไม่สวยไม่งามนั่นแหละตอนนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งเหล่านี้ที่ เรากอดเรารัดด้วยอุปทานของเราตลอดมามันจะลี่คลายออกไปด้วยปัญญาเป็นผู้เปิดทางให้เปิดทางให้นี่วิธีการแห่งการพิจารณาภาวนายาปล่อยวางลูกหลานทั้งหลายให้ยืดเอาไว้นะหลวงตานี่ได้เคยดำเนินมาแล้วอย่างโชกโทนเริ้งพูดไม่มีสตกทานในเขาเรียกเขาเรียกว่าเวทีนักต่อสู้ ระหว่างกิเลสกับธรรมฟากฟักกันคือบนหัวใจนี่เรียกว่าเวทีที่หนึ่งร่างกายของเราเป็นเวทีที่สองยอดได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนกันทางใจก็ทําหน้าที่การงานทางร่างกายก็รับเช่นร่างนานไม่กายก็รับภาระยืนนานเดินนานกายรับภาระภาระเหล่านี้ก็จะท้อนย้อนกลับมาให้เป็นทุกข์แก่ร่างกายอยู่โดยดี นี่เวลาพิจารณาให้พิจารณาอย่างนั่นนะวันนี้จะพูดมากยิ่งกว่านี้อะไรพูดให้พระลูกหลานาทั้งหลายฟังตามที่พอจะเป็นคติตัวอย่างการพิจารณาร่างกายนี้เอาให้หนักเอาให้หนักนะอสุภะอสุภังทุกขงังอนุธาอนัตตาป่าช้าผีดิบให้ถือตัวเองนี้คือป่าช้าผีดิบเดินไปแม่ที่สุดก้าเขาไปบินทาบาทก็คือป่าช้าผีดิบก้าเขาบินทาบาทนั่นเอง นั่งนอนมีแต่ป่าช้าผีดิบเปลียนอาการของป่าช้าผีดิบผีดิบตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่เสมอแล้วจิตใจของเราจะค่อยคลี่คลายออกมาคลี่คายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นจากนั้นสติปัญญาก็คล่องแคล่วไปเรื่อยๆการพิจารณาร่างกายนี้จะคล่องตัวไปโดยลําดับถ้าทําด้วยความมีสติสตังด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจจ่ิงๆแล้วจะไม่น่องเหนือจากนี้ไปเลยแล้วที่นี่ เรื่องปัญญาจะค่อยๆคล่องตัวการพิจารณาอาสุภะอาสุปังในร่างกายที่แรกก็อึดอาดโดยนาะยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้บ้างไม่ไม่รู้บ้างคั้นเราพิจารณาดา น, า, นานเข้านานเข้าด้วยความตั้งหัตั้งใจสิ่งเหล่านี้จะแจ่มแจ้งขึ้นไม่ว่าจะเห็นอาการใดในร่างกายจะมีความแจ้งข่าวดาวกระจ่างขึ้นมาหายสงสัยขึ้นมาเป็นลําดับลำดาบจนกระทั่งคล่องตัวเวลาพิจารณาร่างกายเป็น เป็นความคล่องตัวด้วยปัญญาแล้วนี้จะรวดเร็วมากทีเดียวพิจารณาร่างกายไม่ว่าเห็นยินเห็นชายเห็นสัตว์เห็นบุคคลใดก็ตามปัญญาที่มีความคล่องตัวด้วยการพิจารณาแล้วนี่มองไปแพ้แบบนี้เราใคยเด่นอย่างไงมองเห็นภายนอกก็เด่นอย่างนั้นเราเด่นถ้ามองไปมีแต่ร่างกระดูกในในร่างกายของเราหรือมองไปเห็นตั้งแต่เนื้อแดงโลภภายในร่างกาย เราเห็นคนอื่นสัตว์อื่นมันก็เป็นแบบเดียวกันพอมองเห็นพับมันจะแสดงความเคยชินของใจขึ้นต่อภาพข้างหน้าที่เราเห็นนั่นว่าเป็นกระดูกทั้งล่างหนึ่งเ ป, เป็นเนื้อแดงโล่ไปหมดแล้วเป็นซากกระสบไปหมดเลยหนึ่งแล้วที่นี่เวลามองไปที่ไหนมองไปมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแบบเดียว น, นี่คือความทำนานของทางด้านปัญญาพิจารณานี้ให คล่องแค่ ว, ว่องไว้ว่องไวจนกระทั่งถึงติดนิขาดถอนอุปทานความมีมั่นถือมั่นจากทางร่างกายเรียกว่าการมราคาถอนขาดทว่าไปในขั้นที่พิจารณาคร่องตัวแล้วอรูุภาพอรุปัรรทุกทังนิจังอนัตตา ม, มารวมอยู่ภายในจิตจิตรู้แจ้งเห็นจริงจากถือแล้วปล่อยวางอัูุภาพอรูปธรไปนอกทั้งหมด แล้วก็รู้เท่าตัวเองว่าเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปยึดไปหมายไปสัมพันธ์นั่นว่าสวยอันนี้ว่างามอันนั้นไม่สวยไม่งามความจริงก็คือเรื่องของใจไปปุ่มไปแต่เมื่อทราบภายในใจนี้ว่าตัวนี้เป็นตัวจอมปลอมแหวกออกไปอย่างนี้แต่งออกไปอย่างนี้ไปเป็นสุภาพอสุภาพสุพรรณก็ไปจากหัวใจเมื่อใจลื้งสิ่งเหล่านั้นอสุภาพสุพังณทั้งหลายเข้ามาสู่ใจว่าใจเป็นเป็นผู้เป็นอย่างนั้นแท้เองแล้วก็ปล่อยวาง สุภาพอสุภาพภายนอกให้หมดเหลือแต่อสุภาพภายในที่ใจปรุงแต่งหลอกตัวเองมารู้ตรงนี้ว่าใจนี้หลอกตัวเองนี่เรียกว่าปัญญาขั้นขั้นชำนาญเมื่อเวลาเข้ามาถึงนี้ก็มาเห็นโทษของอสุภาพสุพรรซึ่งเป็นเรื่องของกิจปรืนไว้เสียเองสิ่งว่านั้นเป็นทิพยยังภาพเรียกว่าภาพเพื่อฝึกหัดพัฒนาปัญญาของเราเมื่อเรายังยังปล่อยวางไม่ได้ภาพว่านั้นก็เป็นทางเดินของปัญญาเรา อยู่ ด, ยด้วยดีเมื่อมันปล่อยแล้วเมื่อจิตรวมอาชุภ่าชุบฟังทุบขังหรืออาชุภ่าชุบฟังนั้นเข้ามาสู่ใจใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้กรึงเอาหลอนั่นใจเป็นผู้วาดภาพหลอกอะไรมากเห็นโทษของใจเป็นผู้วาดภาพแล้วใจก็ปล่อยจากอาชุภ่าชุบังทั้งหลายภายนอกเข้ามาสู่อาชุภ่าภายในอย่างเดียวแล้วตั้งอาชุภ่าภายในตัวหลอกแข่งนี่ขึ้นมาฝึกซ้อมกันเป็นความ ยำนี่ทำนานละเอียดออสุดท้ายอรุภาอรูุภังภายในเนี่ยก็ค่อยก็ค่อยเสื่อมไปหมดไปเลวขึ้นตั้งขึ้นไม่นานก็ดับไปตั้งขึ้นเป็นภาพอรสุภาอรุภังภายในใจแล้วดับโยงดับลยงสุดท้ายก็แยบยบแยบเปื้นแสงหิงห้อยนี่แหละเรียกว่าการฝึกซ้อมตนในขั้นพิจารณาการมลาคาอรุภาอรูังให้พิจารากันอย่างนี้นะมันจะรู้เอง ว่าการตัการตัดขาดจากกิเลสนาจะมาตัดขาดที่ใจอันที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเพรนักโทษอยู่ที่นี่เวลามันจับนี้ไม่ได้มันก็ไปเห็นว่าเป็นโทษอยู่ข้างนอกเป็นกุลอยู่ข้างนอกพอพิจารณาชัดเจนแล้วมันก็รวงเข้ามาสู่ใจซึ่งเป็นตัวสําคัญตัวปลอมๆไปหลอกลวงตัวเองหลอกไปภายนอกว่าอันนั้นสวยอันนี้งามไม่สวยไม่งามพอเข้าใจจริงๆแล้วมันมารวมเข้ามาสู่ใจตรงเดียวใจเป็นผู้โกหกเห็นโทษของใจปล่อยวาง อาุพะชูฟัง ภ, ภายนอกไปหมดเหลือจากธรรมชาติกร น, นี้แล้วทีนี้ก็ฝึกฝึกซ้อมภาพที่อสุภะสุฟังภายในใจที่ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปแล้วตั้งขึ้นมาไม่นานก็ค่อยหมดไปหมดไปแล้วใจลื่นไปหมดตั้งขึ้นมาทีไรเสื่อมลงไปสูญลงไปลงมาอยู่กับใจลงก็อยู่กับใจมันก็รู้ชัดรู้ชัดจากนั้นภาพเหล่านี้ก็ไม่มียัเป็นความว่างเปล่าขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจนี่การพิจารณาเรื่อง การดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้ดําเนินอย่างนี้นี่พูดเพียงข้าวๆพูดเพียงพอประมาณไม่มากนะักการพิจารณาเรื่องอรชุบ้าชุบังสำหรับนักบวชเราต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้มนาะไปไม่รอดนะักตายใครไปที่ไหนไปติดนันนี่ละ่ะมันพลิกเป็นสุภาพกรงมนั่นแนหะไปเดินไปพระกรรมฐ า, านอยู่ในป่าในะเขาไปเห็นผู้หญิงอยู่ในป่าในเะขามันก็นไปลักผู้หญิง อยู่ในป่าเนะเขาว่าสวยว่างามผู้หญิงในป่ากับผู้หญิงในบ้านมันก่อนเดียวกันหนังหอกก็ดูด ก, กันมันสวยงามมาที่ไหนนี่เอาทําฟัดกับแวบนั้นแล้วก็ไปอยู่ในป่ามันก็ไปหลงผู้หญิงในป่าอยู่ในบ้านก็หลงในบ้านมันบ้าหลงบ้าติดทั้งสองพิจารณาอันนี้ฟ า, าดขาดสะบ้านไปเลยอยู่ไหนสบายหมด <c oughs> นี่ลาเรื่องการบําเพ็ญธรรมให้เห็นประจักษ์ผลของธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนแล้วสอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้สอนเพื่อ <c oughs> ให้งมงายไม่สอนแบบตุ๊กตาสอนเด็กเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนะสอนจริงๆนี่การดําเนิน <c oughs> ทางด้านจิตใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจากการภาวนาจริงๆสมนาม <c oughs> พระธรรมพุทธเจ้าวัาดตรัสไว้ชอบแล้วนี่ชอบอย่างนี้ใครพิจารณาอย่างไงต้องเห็นผลประจักษ์ไปอย่างนี้นี่เรื่องของจิตที่มีความชานิชานาญชํานาญไปอย่างนี <c> ้ <oughs> จากนั้นก็หมด เรื่องร่างกายทั้งเขาทั้งเราหมดภายในความรู้สึกคือใจจะไม่มีอะไรจะมีแต่นา ม, ามธรรมเวทนาสัญญาสังขารมิยารที่เกิดกับกับกายกับใจมันมันแทรกกันอยู่ในเวลานั้นร่างกายปล่อยไปแล้วรูปปล่อยไปแล้วเวทนาที่อยู่กับกายมันก็ค่อยเริ่มรู้เรื่องมาไปสัญญาสังขารมิยามที่นี่รวมเข้าไปอยู่กับจิดเป็นอาการของจิตทั้งนั้นท่านจเรียกว่าขันแปลว่าปองไปว่ า, วามวด มันออกจากใจดวงเดียวเนี่ยใจดวงนี้บรรจุอวิชชาไว้นั้นไม่มีใครทราบนะ น, นี้แหละตัวร่างใหญ่แห่งภพชาติอยู่ที่อวิชชาปัญญาถ้าเราไม่เปิดอันนี้เข้าไปเราจะไม่เห็นตัวใหญ่ของมันนี่หละการพิญณากรรมาฐานจึงเปิดเอาไปเรื่องอย่างนี้แหละตั้งแต่รูปกายนี้ปิดมิจฉิตเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นให้เห็นแต่กงจับเป็นดอกวัวกงจับเป็นดอกวัวพอเปิดออกให้เห็นกงจับเป็นยังจับดอกบัวเป็นดอกบัวแล้วก็เข้าสู่ความยริงนามธรรม เวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณพิจารณาสิ่งนี้มีเกิดมีดับด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยตลอดเวลาเกิดภาพดับภาพเกิดภาพดเพราะไม่ยึยดไม่ถือแล้วตามต้นเข้าไปว่ามันเกิดมาจากไหนทั้งดีทั้งชั่วแล้วปรุงขึ้นแล้วดับไปปรุงขึ้นแล้วดับไปปรุงจากจิตดับลงไปที่จิตพิจารณาตามต้นเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็นไปหาจิตนี่จิตที่ว่าคือจิตคั้นในขั้นนี้น่าจะเป็นจิตที่สว่างสวไวจิต หนึ่งว่าเป็นจิตที่เลิศเลยสําหรับผู้ที่ยังยังไม่เข้าใจจะเห็นจิตขั้นนี้ว่าเป็นจิตที่แปลกประหลาดอาัตจักรอยู่อย่างมากเกี่ยวนี่แหละคือจิตวิชาลวงสัตว์ถึงทําขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีพอถึงนี้แล้วจิตจะเพลินอยู่ในความสว่างสวัยอัตจรย์แล้วพิจารณาความเกิดความดับของจิตได้แจกสังขารวิญญาณรับทราบลายดับไปดับไปเกิดที่จิตดับที่จิตอะไรมาสัมผัส จิตรับรู้รุ่นดับที่จิตพิจารณาตามต้นเข้าไป <c oughs> จนกระทั่งถึงใจนั่นแหละใจแท้นคำว่าใจนั่นนั่นแหละคือรางแห่งอวิชชาอยู่ที่นั่นมันครอบไปหมดมันส่งรัศมีออกมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งออมองไปที่ไหนที่ไห น, นสว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์ไปหมดนี่แหละอวิชชาภาพอาวิชชารองสักโลกเราถ้าเราไม่เคยรู้ก็เห็นกว่าเราได้พบของอัศจรรย์แล้วแต่เวลาผ่านนี้ไปแล้ว พอเข้าถึงปิตจริงๆแล้วบอดที่มันจะขาดตะบัานออกจากกันจริงๆอันระหว่างมีมดกับสมมติเนี่คือว่าจะต้องได้เข้าถึงปิดปิตนี่เป็นตัวภยัยจิตนี่เป็นตัวโทษจิตนี่เป็นมหาภายัยปิดสติสติปัญญาต่อเข้าตรงมหาภายัยนั้นขาดตะบันออกจาตรงนั้นเมื่อจิตควรแก่การทําลายแล้วจะเป็นอย่างนี้พอถึงขั้นนี้แล้วจิตที่อัศจรรย์ น, นี่แตกกระจายไปกลายเป็นกองชี้ฝายขึ้นมากองหนึ่งเท่านั้นใน ความรู้สึกของเราขั้นขั้นแรกขั้นเวลาขั้นหลุดพ้นไปจากนี้แล้วเป็นความสว่างขึ้นมาเรียกว่าความสว่างนั้นแปลงความสว่างของมุมตดหลุดพ้นเป็นความสว่างพูง่าย่าของพระนิพพานมาดูกางชี่ฝายซึ่งเป็นความสว่างของอวิชชาปัจจญาทั้งกาลมันจึงได้เห็นโทษกันอย่างชาัดเจนแต่เวลานั้นอวิชชานี้เรายังไม่เห็นมันก็นสะจรรักหลอกเราอยู่ได้นี่แหละกษัตริย์วัจจัก คืออวิชชาปัิญาลอกลวงสัตว์โลกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเห็นอะไรดีมาเรื่อยดีมาเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเขามาถึงจิตอวิชชาแท้นี่แหละมันหลอกได้อย่างแยบวนมากนะผู้ปฏิบัติหลงถ้าไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วต้องปฏิติอันนี้ซะก่อนรูปรูปคำคำเทินอยู่กับความสุขความสบายของตัวเองแล้วความสว่างกระจางแจ้งภายในจิต ที่มีวิชาความตัวนี้ไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้ามีผู้แนะนําสอนแล้วมันก็รู้ว่าอ๋ไปถึงจุดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยมันก็จับจุดนี้แล้วว่าเป็นมหาโจรซัดเข้าไปมหาโจรนี่แล้วพังทลายนี่กลายเป็นความขี้ควายขึ้นมาต่อหน้าต่อ ต, อตาของวิมุตติค้นพอถึงขัน้นวิมุตติพ้นความสว่างของวิมุตติพ้นเป็นยังไงจากความสว่างของวิชาซึ่เป็นความขี้ควายมันเทียบกันได้อย่างไงนี่แหละนักปฏิบตัติพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัตินี้เราไม่ได้มาพูดแบบรู ป, ร ป, รปคำคำนะเราพูดมาจากความปฏิบัติปฏิบัติของเราทางเหตุเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเอาสลัเป็นสลตายเขาว่าการพิจารณาเรื่องกนี้นี่พูดเพียงย่อยให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังแต่เวลามันฟัดกันอยู่บนเวทีนั้นเป็นเวลากี่ปีไม่ตั้งแต่เรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำเล่าเหมือนเขาคาดเขาไถนาในแหละคาดไปคาดมาไถาไปสมอจนชีดมูลคาดมูลไถ แตกกระจกกระจายแลย้วยดออกแล้วควรแกการปักดําเป็นขั้นขั้นขึ้นไปมันก็รู้เองภายในจิตใ จ, ใจนี่เมื่อเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องการพิจารณานี้นั้นนี้นมัดก็หมดพักพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเอมื่อรู้เห็นเต็มหัวใจละไปหมดแล้วพิจารณาหาอะไรนั่นก็รู้เองนี่ละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ส่งต่อมากที่ที่ส่งไว้ซึ่งมักผู้นิพพานเป็นอาการที่โกตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติตามเถิดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติ แบบตั้งแต่คมภีบาลานไม่ว่าท่านมาเรามันแบกด้วยกันนั่นแหละเรียนอะไรก็เรียนตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์จงกระทำถึงพมโลกนิพพานมานาก็แบกความสงสัยไปถึงนิพพานถึงนิพพานเรียนถึงนิพพานแล้วมันเอ๊นิพพานมีหรือไม่มีนะท่ายังท่านยังดีอยู่กันนิพพานมีหรือไม่มี น, นะถ้าเลวกัน น, ะนั้นกันนิพพานไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีล้อไปหมดนีคค่คือคือที่เหลือกันท่า มันเหยียบย่าทํำลายสัตว์โลกแต่พราะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราอย่าให้มันเหยียบย่ําทํำลายได้ฟาดมันแต ก, ากกระจายออกไปพรองนิพานขึ้นภายในจิตนี่แหละการปฏิบัติธรรมให้ท่านหลายจำเอาไว้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกวนวายกับสิ่งภายนอกมันมีแต่ความมืดความผู้มีแต่ฟืนแต่ไฟให้หมุนใจเข้าสู่สติปัญญากับการภาวนาของเราเริ่มจากคำบริกรรมขึ้นไปการพิจารณาทางด้านปัญญา ขอให้ัญาเป็นวักเป็นตอนดังที่กล่าวแล้วนี้ถึงเวลาพักสมาธิให้พักจิตถึงขั้นที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นจริงๆในะขั้นอัตโนมัติของสติปัญญาอย่างที่ท่านแสดงไว้ในปริญัตมันก็เห็นแต่มมันไ่เมื่อมันไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ท่านบอกปัญญาเกิดขึ้นส า, ส, าสถานชูตามัญญาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ได้ยินได้ฟังจินตามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจาก การพิจารณาใจจองของคนโดยทั่วไปธรรมดาภาวนามัปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาลุ่้วนนี่เราไม่เข้าใจเลยเวลาเรียนอยู่นู่นเวลาออกปฏิบัติถึงขั้นปัญญาที่เป็นภาวนาลุ้วนนั้นมันเป็นขึ้นภัยในใจไม่ต้องไปถามใครนี่แหละที่นี่เราภาวนาปมัญญปัญญาเป็นปัญญาโฉมัตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ราคาตันหาขาดสะบั้นไปจากใจแล้วปัญญานี้จะก้าวเดินเพื่อนามธรรมทั้งสี่ คืเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงกระทั่งเข้าสู่วิชาปัญญาอัตโนมัตินี้จะก้าวเดินเป็นอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติสมาสและก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญากิเลี้ยงมีมากน้อยเพียงไรขาดจะบ้านขาดจะบ้านไปด้วยอัตโนมัติของสติปัญญาสังหารมันไปโดยลำดับนั่นแหละเช่นเดียวกันกับเวลากิเลี้ยงมีความในหัวใจของเรามากน้อยนี่กิเลสจะเป็นอัตโนมัติของมันสร้างตั้งแต่กวาแต่น้ําแต่ฟืนแต่ไฟแต่วัตถจัก ประจําจิตใจของสัตว์โททั่วๆไปไม่มีเวลายับยัง้งนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสสร้างตัวของมันบนหัวใจของสัตว์ทีนี้ เ, เราจะมาเพ้นทางด้านพิจารน า, ภาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่อบรมบุรีกรรมภาวนาขึ้นไปก้าวไปําดับๆจนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นปัญญาอาัตโนมัติแล้วที่ก้าวเข้าสู่มหาปัญญาเชื่อมโยงกันไปนี่เระตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปรรัญญาอัตโนมัติขั้น ผ่านการมาลาค้าอยู่ไปได้แล้วนี่สติปัญญาเป็นอัตโนโตมัติโดยตรงอยู่ที่ไหนหมุนตัวเป็นเตียวตลอดเวลาต้องได้ล้างเอาไว้ไม่ล้างมาได้มันรีบมันรวนมันพุน่งเร็เห็นโทษเห็นจริงๆของกิเลสตัณหาเห็นหมดเห็นจนกระทั่งถึงว่ารอไม่ได้าการหลับนอนไม่เป็นหลักเป็นตื่นเนี่ยมันไม่ยอมหลับมีแต่เล่หฟาดกันเลยเหมือนนักมวยขึ้นบนเวทีฟาดกันแล้วเข้าวงในกันใครจะไปหาเว ล, ลา อ่อนข้อย่อหยอนได้ยังไงถูกนอกมีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใ จ, จโดยทางสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็เป็นอย่างนั่นเหมือนกันหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเกลียวตลอดไปแล้วก็จากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาหาสติปัญญานี่กับสติปัญญาอัตโนมัตินี่เชื่อมโยงเข้าไปแล้วทีนี้เรื่องของกิเลสไม่ต้องบอกมันอยู่ที่ไหนคุยเกียวขุดค้นตลอดเวลาเวลาเจอกันแล้วก็ฟัดกันฟัดกั น, กนเวลาไม่เจอคุยเกี่ยวขุดค้นหา ด, ด้วย ชติปัญญาอัมัตม ต, ตลอดไปจนกระทั่งถึงเนีย่ยถึงอวิชาปัญญาสร้างขานลาตัวสําคัญตัวมหาภัยคือตัวใจที่สงลิศานุนภานุจิตสังดานุภาพไว้ด้วยความสว่างกระจางใสสว่างกระจ่างแจ้งนี้หลอกผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ไปหลงทันทีตรงนั้นเมื่อเจอเข้าไปตรงนั้นว่าเห็นว่าเป็นมหาภัยและขาดจะบั้นไปกลายเป็นกองที้ควายขึ้นมาจิตนั้นเป็นเป็นจิตที่เลิศเลยยิ่งกว่าความที่ควายเป็นเป็นไหนๆมันก็รู้เอง นี่แพอถึงกันนี้แล้วถามหานิพผานที่ไหนถามมามาผมนี่ผ่านถามหาที่ไหนผู้ปฏิบัติเท่านั้นเรียกว่าเป็นขันธ์ที่เจโกรจะรู้เองเห็นเองด้วยภาคปฏิบัติของตนอย่างอื่นรู้ไม่ได้นะแล้วเรียนมามากมาน้อยไม่ว่าท่านวันเราเรียนมันจะเป็นแภาพความจํามันไม่ใช่ความจริงเหมือนกับเรามีแบบแปลนแนังเรียนตามแบบแปลนผังสลำดับตําราก็คือแบบแปนแผงของบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานแห่งศาสนานั่นเองเราเรียนเฉยๆแล้ว เราไม่ได้ปฏิบัติว่าบาปมันก็มีแต่ชื่อตัวว่าจริงๆไม่เห็นบุญก็มีแต่ชื่อตัวบุญจริงๆไม่เห็นเรียนนโลกสวรรค์ก็เหมือนกันว่าเห็นแต่ชื่อของโรกสวรรค์พรมโลกนี่ผ่านเปรตผีเปรตต่างๆที่แสดงไว้แล้วในอัตธรรมทั้งหลายในปริญญาในพระไตรปิฎก ด, ด้วยความรู้จริงแห็นจริงของท่านแต่เรามันไม่จริงมันมีแต่ความจํามีแต่ความจำเราความจํานี่ไปปิดไปหมดว่ามรรคผลที่ผ่านไม่มีไม่มี มี่จะความจำความจําลยกายมาสังขารเจ้าของแท้เองถ้าไม่ไม่มีสติาำยับยั้งตจออกพิจารณาเจ้าของให้ออกทางด้านปฏิบัติที่ใครหาของจริงพระพุทธเจ้าจำสอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกี่ยวยงถึงการค า, าถาหนาทั้งจะสมบูรณ์ถ้ามีแต่ปริยัติก็มีแต่คำภีมีแต่แปนเต็มห้องเต็มบับไม่ไม่มีขยับขยายมันออกมาผูกบ้านสร้างเรือมันก็ไม่สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนี่มีตั้งแต่ปริยัติแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาศีลแล้วก็ไม่รักษาเสีย เนี่ยสมาธิอบรมจิตใจก็ไม่มีปัญญาจะมีมาจากไหนความเบิกป้นมีมาจากไหนคาว่าปฏิเวทัปฏิวัฒน์ไม่มีผลพระพรากปฏิบัติเปิดทางให้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงมีปริญติศึกษาเราเดียนแบบแปลงน้ําผังมาแล้วให้ออกทางปฏิบัติคื อ, เ อ, เ, อเอาการแย้กัเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นอย่าเราบวชมานี้เรามีศีลตั้งแต่วันบวชให้รักษาศีล้ที่เอาไว้ให้ดียาทาลายศีลอยาทำํำศีลให้ด่างให้ค้อยก็ชือว่าเรามีศีล เมื่อมีศีลแล้วเราก็อบอุ่นไปที่ไหนเราก็ไม่ละระแวง ไ, ไม่ระแวงแพงใจนี่ก็พิารณาทางด้านปัญญาเอาทางด้านติตใ จ, จ, จทางเข้าไปถูกความสงบแล้วเกสมาธิภาวนาไปเรื่อยก็แจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยสันติทิโกไปเรื่อยเป็นปฏิเวกไปเรื่อยไปเรื่อยๆนี่แหล ะ, ะความจำกับความจ ร, จริงต่างกันความจําได้มาเท่าไหร่มหายจงใจไม่เป็นตัวของตัวเลยนะเลี้ยงไปถึงไหนจบพระไกรพิโดกแบกคมภีร์ไปก็คัมภีร์หลังหัก ความจริงไม่มีมีจฉาความจําแก้กิเลสได้อย่างไรแก้ความแจ้กิเลสแก้จากความจริงต่างคือภาคปฏิวัติต่างๆความจําจํามาเพื่อจะดําเนินงานเพื่อเพื่อฆ่ากิเลสจากภ า, จำจำ า, ากคปฏิวัติต่างหากนี่เมื่อเรานํามาปฏิบัติทางทรรมอย่าแล้วเราจะเห็นขึ้นมาภายในใจศีลประจักษ์ในหัวใจสมาธิสงบประจักษ์ในหัวใจสมาธิทุกขั้นไม่ต้องมาถามใครสันทิจโกสันทิจ โ, โกตีกตาไว้หมดไว้หม ด, หมดจนกระทั่งถึง ปัญญาและปัญญาขั้นใดก็ลูกเองดังที่นำมาแสดงนี่ไม่ไปถามใครมันเป็นขึ้นในสนามรลกบนเวทีระหว่างที่เด็กกับทำฟัดกันบนหัวใจของผู้ปฏิวัตินั่นแหละมันก็เห็นหมดในสิ่งนั้นที่เด็ดขาดไปมากน้อยมากน้อ ย, อยเห็นประจกักษ์ในหัวใจในหัวใจนี่มรคนี่พ่านจะไม่รู้ได้ยังไงก็มีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเลื่อยไปเรื่อยไ ป, ยไปจนกระทั่งถึงว่าไอ้สิ่งที่ว่านรกสวรรค์ถามหาอะไรฮะ ความรู้นี่มันมืดอยู่ด้วยจีเล็กปิดบงังมันไหมเพื่อเปิดทีเล็ไปคําว่านรกสวรรค์พุทมโลกนี่ผ่านมีอยู่แล้วท่านสอนไว้ดความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าเต็มถัดเต็มส่วนไปสงสัยหาอะไรตอนเราตาบอดมันก็ไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นมาสอนเราเรานี่ไม่ยอ ม, ม, มรับโง่ไหมมนุษย์เราอย่างนี้เราปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามก็คือตามให้ตามรู้ตามเห็นตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วตามหลักของจริงไม่ผิดเพี้ยนนั่นแหละเมื่อปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้ก็จะค่ปรากฏขึ้นภายในใจถามหาใครที่นี่ เอาว่าบาปบุญนะโวกฐานมันก็ประจักษ์อยู่ในใจเนี่ยขึ้นอยู่ในใจสวรรค์อยู่ไหนก็อยู่ใจนี้เป็นเครื่องรับทราบตลอดทั่วถึงหมดในแดนโลกฐานนี้อย่าว่าในนรกนะเรียกมันนี้ดอกแดนโลกทานไปไหนจะไม่รู้มันตั้งแต่นิพพานยังคลองใจได้พระเจ้านรกนั้นมันมันมันเลิศกว่านิพพานหรือจึงจะรู้มันไม่ได้นิพพานอย่างรู้ใช้มันในโลกรู้ไม่ได้สวรรค์นั้นรู้ไม่ได้เอพีประเภทต่างๆรู้ไม่ได้มีเลยนิพพานยิ่งกว่านี้ยังรู้ได้เห็นได้นี่ละมันรู้ได้โดยเห็นนี่เอง เพราะงั้นบรรดาสาวกหลายคู่เชี่ยวชาญองท่านินต่างองค์ต่างนั้นไปยังมีความรู้เหล่านี้เป็นสติปญญาณแต่แต่ว่าพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่กว้างขวางเหมือนผู้เจ้าก็ตามนะแต่ความรู้ของท่านเหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นสติปญญาได้รู้ตรงไหนตรงไหนหายสงสัยกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบอย่างราบเลยเพราะภาคปฏิบัติภาคอื่นไม่มีทางนะ่ะ <c> พ <oughs> ูดตรงกองถ้าไม่นตั้งสนใจปฏิบัติ จำมาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ที่เรศมีเหมือนกันกับโลกทั้งตไปที่ก็ไม่ได้ศึกษาธรรมถ้าเราตั้งใจศึกษาธรรมเรียนทำไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยก็เป็นอัดเป็นธรรมไปเรื่อยๆถ้าเลียนเฉยเไม่สนใจปฏิบัติเรียนทำก็เหมือนกับเป็นโลกไปหมดี่เรศถือเป็นเจ้าของยึดอำนาจไปหมดกลาเป็นคนเลวทามก็ได้จากการเรียนทำมากๆมีเยอะนี่ไอ้ท่านสหายพิจณาเปิดใช้ปิ่นทัานสหายได้ทราบแต่วันนี้การปฏิบัติมาเราได้ผ่านมาทั้งด้านปริยตัต ก็ผ่านมาเต็มหัวใจของเราทางบ้านปฏิบัตินี่ก็ผ่านมาเต็มหัวใจของเราเวลาผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติอย่างเอาจริงอา จ, งอาจังก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ถูกถามพระพุทธเจ้าถือว่าตั้งแต่สมาธิปัญญายิ้มมุติหลุดพ้นบาปเ ป, ปรตบาปศีปรษะนรกภวิคีทั้งๆตลนดทุนิพพานไม่จะถามถามทําไมพระพุทธเจ้ารู้แล้วสอนไปแล้วปฏิบัติเพื่อให้รู้เห็นมันจะไปไหนเมื่อปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วมันก็ยอมรับยอมรั บ, รบนั่นเห็้ยนไหม นี่เราสิ่งของนี้คือไปไหนลาสมัยไปไหนเวลานี้บาปบุญมีอยู่ไหม <c oughs> หรือถูกที่เหลือลบล้างไปหมดแ ล, ล้วหรือบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระโลกนี้ผ่านไม่มีสิ่งที่มีก็มีตั้งแต่ราคาทันหาความโลภไ ม, ม่รู้จักวันเป็นวันตายครอบหัวสัตว์โลกดิ้นกาตากันทั้งวันทั้งคืนจนไม่มีป่าชาตายแล้วก็นิมนต์พระมาคุชลาธรรมมาคุชลาธรรมม า, า, ม, ามันเป็นประโยชน์อะไรคุชลาธรรมมีเรองปากอนั้นตัวเองไม่เคยสนใจปฏิบัติ นอกจากนั้นแล้วไปในงานศพใดงานศพใดมีจะไปโม่ไปคุยไม่ใช่โม่นะไม่ใช่โม่นะไปคุยระบายทุบต่อกันสมาคม <c oughs> ที่ที่เมรุวัดต่างๆที่ไปเผาศพนั้นมีแต่สมาคมของพวกกองทุกนี้ไปไปเปิดทุกต่อกันกระจายทุกต่อกันในสังคมแห่งการเผาศพนั่นแหละ ไปจับผุ่มจับผุ่มแล้วผมอยากจะพูดใครก็อยากจะคุยทุกอย่างนั้นทุกนันี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนีนนนนน้เป็นอย่างนี้การงานเป็อย่างนั้นการงานเป็นอย่างนี้การได้นั้นเสียเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยและและไม่มีเรื่องอัานเรื่องทำํำความรู้สึกตัวมีท่านเทศท่านสรารวัตการบูชาธรร ม, มามันไม่สนใจฟังมันสนใจฟังตั้งแต่ไประบายทุกข์ให้กับฟังใครจะฟังถูกขอ่ะทุกข์กมันเต็มหัวใจทุกคนใครก็มีอยากปากปากอยากพูดแต่พูดไม่ได้คนนั้นพูดมาก่อน สุดท้ายก็แย่งกันยุ่งกันพูดนี่ไปวัดไปว่าเวลานี้มันมีแต่อย่างนั้นนะมันมีอาธรรมที่ไหนกันพังที่นี่หลวงตาอุตรลีไปท่านอะไรเห็นไหมยิ่งในกรุงเทพเหล่านี้แลแ้วเต้นไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหะมีการมีงานะ่ะนี่แหละจะได้มาระบายทุกข์ต่อกันคลายทุกข์ อ, กกอะไรมันคายมันมีแต่ความความทุกข์เดือดร้อนมาเผากันเผากันถ้าก็เลยรำคาญแต่พระทำไมว่าอะไรกุศลธรรมมาแล้วทั้งแต่ไปเชีย แค่ตะนาว่าการก็ว่าไปทําเรื่องแล้วก็ไปเสียเพราพวกนี้คก็ว่าไปแล้วมันก็เป็นเฟืนแล้วไปเผาพระอยู่นะหาว่าพระดุพระด่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเป็นบ้าไม่ได้ว่านะถ้าท่านลาคาสักก็ไม่ว่าจิแต่พระอย่างหลวงตาโบนีไม่แน่นนะมาพอตีตีเอาได้นี่เดี๋ยวนี้กับําลังตีอยู่ด้วยป่ากด้่ยลงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่าให้ระบายทุกอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติทำเถิดสิ่งอันนี้จะค่อยเบาวางไปโดยลำดับธดาเดี๋ยวนี้มัไม่สนใจในอดในธรรมจริง เรื่องทุกข์ทั้งหลายมันจึงพอ่อคูดขึ้นมาอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปหมดพอเข้ากลุ่มกันแล้วเราเอาแล้วเอาไปเลือกความทุกข์มาเผากันเผากันเนี่ยนี่เหลือมันมันทันสมัยไม่แต่นี่เหลือมรรคผลนิพพานที่จะระงับดับทุกข์เหล่านี้ไม่มีบ้างหลือจากผู้ปฏิบัติธรรมผู้เาพูทของเราขอให้นำไปคิดอ่านแต่จองทุกคนทุกคนจะได้เห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมของผู้เจ้าแล้วจะจะเข้าเจริญภายในจิตใจของเราขึ้นไปอันดับเฉพาะอย่างยิ่ง นักบวชพระปฏิบัติของห้จริงจริงหน้าพระดูปราหลาดเอาให้จริงให้ได้ครองทำอย่างน้อยต้องมีสมาธิเป็นสมบัติของใจถ้าเราถึงจะอยู่สง่างามมีความสุขสมบัติของพระไม่ใช่เงินทองเข้าของตึกรามบ้านจองรูหลาฟูฝ่ากี่ห้องกี่หลับกี่ชั้นนะนั่นไม่ใช่สมบัติของพระสมบัติของพระแท้คือศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจากนั้นก็มีมุติสมบัติเนี่ยหาเอาในตัวของเราเองอยู่ที่ไหนบําเพ็ญ ศีลอย่าให้หล่างปพราะอย่าให้ขาดให้ทะลุเนี่ยก็เป็นศีลขึ้นมาตัวเราทั้งทั้งองค์นี้เป็นท่าทั้งองค์ผู้มีศีลทั้งองค์สมาธิเต็มตัวร่มเย็นไปหมดปัญญาก็ะจางแจ้งไปแก้ขี้เหร่ไปโด น, นดับถึงขังน้นนี้มดหมดพราอยู่ไหนสบายหมดไม่มีกรรมอดีตอนาคตว่าเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติยุ่งทําไมก็เกิดมาแล้วตายมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วอนาคตจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเหนมืก่อกวันที่สุดแล้วในหัวใจเราเนี้จะอะไรเป็นเชื่อให้พาไปเกิดเนี่ยปัจจุบันก็ มันก็มีเหลือธรร ม, มทานที่จิตหลุดพ้นไปแล้วเป็นธรร ม, มทานแลว้วอาเดียนนั้นทุกคนมีที่ไหนนี่เราปฏิบัติตัวอย่างแล้วเป็นสันติโกสุตยอดคือตรง น, นี้เองท่านทั้งหลายจะพาเข้าใจข้าลูกข้าหลานทุกคนไปอยู่ที่ไหนให้พากันตั้งอกงตั้งไก่ํ า, าเพ็ญทำนะยาไปอยู่แบบความประมาทเอาผ้าเหลืองครอบ ห, หัวหัวโลโลนเขามาอยากแต่อนาะปชาชนญาติโย่จะตําหนีติเตีย้ยนผ้าองไหนก็มาได้เพราะเขาเต่งผ้าเหลืองกลัวเป็นบาปเป็นกรรม เป่หัวโล้นมาเราเป็นพระเราเป็นพระก็ยิ่งถนงตัวยิ่งสร้างความชั่วช้าละโมกขึ้นในสันดานของเราตลอดเวลาไม่มีอยาอ่างอาหน้าด้านคือพระเรานะถ้าที่ไม่สอแสงหาคนงามความดีคือพระน่าด้านอยู่ลึกๆใครจะตำหนิติเตียนอะไรก็ไม่ได้เขาไมาจะตำหนิยิ่งสนุกค่ะ สร้างความยุติธรรมหลังโมกขไปไปอยู่ที่ไหนวัดวา ว, าว่าแทนที่จะเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยเพื่อเป็นปัจจัยต่อบุญต่อบุู้สนเป็นอาจเป็นธรรมเพื่อไนวัดว่ากลาเป็นวัดช่วงวัดฐานพระช่วงวัดฐานเต็มวัดเต็มว่าเต็มบ้านเต็มเงหมดเพราะกิจเข้าไปตีตลาดอะไรี่ให้ภากันรู้ละรูปตัวรู้ไว้นะเราเป็นพระเขาไม่กล้ามาแตนะละนี่เราเป็นพวกพระกันเองเราแนะนํต่างสอนรู้ด่าว่ากล่าวกันได้เพื่อความดีความดีมดเป็นที่ในมูลผลจะเราทั้งหลายอย่าให้เขาตาหนินะ ให้เราตำหนิเราตลอดเวลาก่อนเขานะผิดอะไรไม่ดีตรงไหนให้ตำหนิตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วจะภาคก ล, ลุ่มตัเองไอ้เรื่ความตำหนิติดเจียนเขาก็ตำหนิในสิ่งผิดเมื่อเราไม่ผิดแล้วเขาจะตำหนิหาอะไรเดีไม่ดีเขาก็กรกาบไหว้ บ, บูชาเคารพเป็นขวัญตาขวัญใจไปที่ไหนพาท่านมุกมีศีลมีธรรมผู้เคาราน้ำดำไปไหนเย็นไปหมดอลูกผิดลูกหาไม่ต้องบอกแหละไปไหนลูกผิดลูกหาถามาอะไรดูตัวตัวของเรานี่ก่อนซิ ทุกครั้งเราพอแล้วใครจะรับถือไม่รับถือเห็นสำคัญ อ, อะไรเราไม่บกพ่องทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ในตัวของเราเองในวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแกเ่เวลาต ล, ลอดกำลังวางชาขอให้พาลูกพาหลานนำทมนี้ไปฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคความเพียรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาแล้วพระพุทธเจ้าสดสนนร้อนอยู่ในธรรมที่สอนเรานี้ลนะ ส่วนสัพพะสัิลาที่นิพานไปแล้วทางด้านปีนี้ปีมันก็เหมือนกับเราเทั้งท่านนะใครเกิดมาพอสมควรแล้วมันก็ตายไปด้วยกันตายพุทธยาก็ตายไปได้อย่างเราแต่ทำแท้ที่เป็นศัตตาราแทนตถาคตก็คือทำแท้ทำแ ท, ท, ำแทนะสอนพวกเราอยู่แล้วทำนี้เป็นธรรมสุวนร้อนเหมือนกิเลสที่เป็นส่วนร้อนให้ปฏิบัติตัวให้ดีเมืม่อปฏิบัติตัวให้ดีแล้วพูดให้เจ้าอยู่ที่ไหนไม่ถามเนี่ถามทำไมทำนั่นแหลยะยอดผู้ใดเห็นทำคนนั้นเห็ น, น, นเราถาคตเนี่ย เริ่มเชื่อมาแล้วตั้งทําสมาธิปัญญาเชื่อพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวิจาถึงวิมุตติพ้นถามพระพุทธเจ้าหาไหลรมันเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรก็รู้แล้วรู้แล้วผู้ดใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตาตาโกเห็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่ถูกถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วทีละการแสดงกรรมก่อนเห็นวน่าสมควรเอาลนะพอดีกับกาลาเวล า, เวลาของเราวันนี้เป็นวันมหาหมงคลที่เราทั้งหลายได้ม <c> า <oughs> พบมาเห็นกนประชาชนก็ได้เห็นพระมีจํานวนมากซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระก็ได้มาไ ด, ได้ยินได้ฟังอัดธรรมทั้งหลายหลวงตายเองก็คอยยินดีด้วยที่ได้แนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลายซึ่งมีศรัทธามาบริจากทานประเภทต่างๆพร้อมกับการฟังอัดฟังธรรมนับวันเราเป็นได้รับสิ่งมงคลทั่วหน้ากันกานรแสดงธรรมเพราะฉะนันว่าสมควรถึงเวลาขอความสวัสดี มีแจ็บรรดาพี่น้องทางหลายโดยทั่วกันเทินสาวพี่คุ้มว้าวเหนื่อย